ใจิตใจที่มันมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสอย่างไรก็มัวหมองอยู่นั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ผ่องใสขึ้นมาเลยเพราะว่าผู้นั้นไม่ํำระมันเลยนี่ปล่อยให้มันมัวหมองปล่อยให้กิเลสมันครอบงาจิตอยู่อย่างให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสหนาขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งเกียดคร้านทำความดีกว่นี่นะ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 เมื่อใจมันคลึกขนองขึ้นมาแล้วนลืมเจ็บลืมปวดไปเลยอ่าันนี้เพราะว่ามีผู้ตักเตือนให้สำมรวมจิตไท้น้อมจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในเอาเกิดเจ็บโน่นปวดนี่ขึ้นมาแล้วไม่ไหวเลย อ, ะอ่ะอะอย่างนี้นะคือมันมารู้ตัวนี่เรื่องมันอน่ะ มันทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในนวมันมาสัมผัสกับร่างกายอันนี้เข้ามันถึงได้รู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเลยว่เนี้มันจึงแปรปวนมันทนทุกข์ทนได้ยากลำบากมันรู้แล้ววะนี่นะจิตนะแต่รู้เฉยๆวะนี่ไม่มีปัญญาจะรู้เท่าก็เลยวุ่นวายอสู้ไม่ไหวเพราะสู้เวทนาไม่ไหว ก็เลยหยุดเสียเลยปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกภายนอกรุ่นมันสบายดีสบายดีกว่ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายอันไม่เที่ยงอยู่ภายในนี้คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเนี่ยชอบจะปล่อยจิตของตนให้ไหลไปตามกระแสของโลกยินดีบ้างยินร้ายบ้างเออเพิดเพลินไป ยินดีอย่างยิ่งบ้างที่ท่านเรียกว่าโมสมณัสเวทนานะ น, นะแปลว่าความยินดีมากยิ่งดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นทีน่ารักใครพอใจต่างๆนี่นะยินดีหลายอันความยินดีในธรรมมันมากขึ้นไปแล้วท่านเรียกว่าโมสมณัสเวทนานี่เพิ่งเข้าใจ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 ถ้าหากว่ามีแต่ร่างกายแปรปรวนไปทำตามธรรมดาโรคภัยเบียดเบียนธรรมดานี่ท่านเรียกว่าทุกขเวทนาเฉยๆถ้าหาว่าใจไม่รู้เท่าทุกในร่างกายนี่เกิดโทมนัสขับแค้นขึ้นมาในใจอย่างนี้นะท่านเรียกว่าโทมนัสเวทนา<ๆ>หรือว่า คนอื่นเขาดูถูกดูหมินยกโทษติเตียนขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เท่าไอ้คำนินทาว่าร้ายคนอื่นเขา้าก็น้อยเนื้อตามใจโทมนัสครับแ้นใจว่าเขาคมเหงเราเขาดูถูกดูหมินเราไอ้ความโทมนัสครับแกนอย่างนี้นะเมื่อเมื่อไม่ละมันแล้วนานเขาก็กลายเป็นพยาบาทไปแล้วแบนี้เป็นอย่างนั้น ในวางแผนตอบโต้กันไปฮะมันสายของมันไปอย่างนั้นเลยเรื่องความทุกข์นี่นะมันเมื่อบคุคคลไม่รู้เท่าแล้วมันก็หมุนไปทางบาปนั่นแี่ะทางเบียดเบียนนะฮะไม่ยอมให้อภัยแก่บคุคคลอื่นที่มาล่วงเกินตอนไม่ยอมเลยไม่ยอมให้อภัยอ่ะมีแต่ทางตอบโต้ล่างผลานกันลงไปอย่างนั้นเลย มันก็เลยเป็นการสร้างกมชั่วเวีนชั่วใส่ตัวล่าไปเนี่แหละบุคคลผู้ไม่รู้เท่าทุกนะผู้วันไหวไปด้วยทุกขเวทนาต่างๆก็หมายถึงดวงจิต ด, ดวงนี้แหละมันไม่รู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆหมู่นี้มันเลยกลายเป็นบาปอากุณลขึ้นม า, าจิตนี้เนะี่ยก็เลยต้องใช้กายทำบาปให้วาจาพูดในสิ่งที่ เป็นบาปเป็นโทษเป็นทุกข์แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปนี่มูนี่เราต้องพารณาให้รู้เท่าทุกข์ทั้งพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยอย่างนี้แหละผู้ผู้รู้แจ้งในทุกข์อย่างนี้แหละมันจึงไม่วันไหวต่อทุกข์ได้มันจึงละเหตุแห่งทุกข์ได้เรื่องมัน่ะ เมื่อไม่เมื่อการพิจารณาทุก์ไม่รู้ทั้งเหตุทั้งปัจจัยของมันด้วยเนี่ยมันก็ละเหตุมันแห่งทุกข์ไม่ได้เลยอย่างยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นเน่ะอย่างโทมานัสสาวทนาเนี่ยถ้าบุคคลใดระงับความคับแค้นใจนั้นไม่ไม่ลงแล้วก็เป็นบาปอกุศลขึ้นมาละจิตนั้นนี่เป็นอย่างนั้นโสมานัสสาวทนาก็เหมือนกันนะ เมื่อปล่อยให้จิตยินดีในอารมณ์นั้นนั้นมากเข้าไปเข้าไปแล้วก็เอาล่ะเป็นเหตุให้ทําบาปได้แล้ววันนี้ทําบาปด้วยความยินดีอย่างยิ่งนั่นแหละสมมุติว่าไปยินดีในรูปใดรูปหนึ่งอถ้าผู้ชายผู้กันอย่างจงแจ้งกับว่าไปยินดีในรูปผู้หญิงที่ตนหลงสําคัญว่าสวยงามมากนั่นนะ บ้านี้เอา้ารูปนั่นไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตนอาภัยพอใจไปยินดีคนอื่นเขาก็ยินดีเหมือนกันทีนี้ก็เลยแย่งกันเนี่ยนั่นเนี่ยก็วางแผนประหัดประหารกันลงอ่ะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าโสมนัสสเวทนาคว า, ามสวย อ, อารมณ์อันเกิดจากความยินดีอย่างยิ่งอันนี้มันก็ก่อให้ทําบาปทํากรรมทําเวรใส่ตนเองมากมายเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเวทนานี่มันจึงว่าควรพิจารณาให้รู้วันนี้เวทนามันเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยก็พัดสะแลเป็นปัจจัยให้บังเกิดเวทนา mm hmm. ในปฏิจจสมุปบาท น, นนะเป็นอยงน้นเราต้องรู้มันพัสะก็เช่นตา ไปเห็นรูปเข้าไปสัมผัสกับรูปเข้าอย่างนี้นะโอ้ไปสัมผัสกับเสียงเข้าไปจ ม, มูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสกายไปสัมผัสกับเย็นรอน้อนอ่อนแข็งอะไรมืนี้นะแล้วมันก็เกิดโสมนสสะเวทนาเกิดโทมนสสะเวทนาขึ้นมาดังกล่าวมาแล้วนั่นเนะ่ย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 นี่แหละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนะยกมาอธิบายเป็นบางตอนเท่านั้นแหละ ม, มันก็พอมองเห็นได้แล้ว<อ>ถ้ายกมาอธิบายมากมันก็ฟั่นเผือกันไปนี่ให้เราภาวนาเราเจริญวิปัสสนาเข้าไปก็มาเพ่งดูพัฒนะความกระทบความถูกต้อง อายตนาภายในกับอายตนาภายนอกกระทบ ก, กันเข้านี่นอแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าผัสสะนี่นะนั่นคำที่จะได้เรียกว่าผัสสะนั้นก็นี่แหละอาศัยอายตนาภายในมีตาเป็นต้นอาศัยอายตนาภายนอกมีรูปเป็นต้น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 ตากระพรูปไม่เที่ยงแล้วผัสสะนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนนี่ก็สอนใจเตือนใจตัวเองเข้าไปให้มันรู้ชัดตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อมันรู้ชัดงลงไปแล้วมันจิตใจมันก็ไม่หวันไหวไปตามเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากผัสสะนั้นนั้นน่นนนอะอถ้ามันได้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 ปัญหาที่ความเทยเทียนอยากไปตามอารมณ์ที่น่าใคร่หน้ า, นาพอใจต่งตางๆเหล่านั้นนะมันมันก็ไม่เกิดบนี้เพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่าอารมณ์ที่น่ายินดีเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอะจะไปอยากได้มันทำไมอ่ะไปอยากได้ของไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์อยู่วันยังขําแล้วพอได้มาแล้วมันก็แปรปรวนไปไม่คงที่อย่างนี้นะ จะไมาให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วแต่ความประสงค์ของจิตเนี่ยได้อะไดมาแล้วก็อยากจะให้มันยั่งยืนอยู่นั่นยกตัวอย่างเช่นคนเราได้ผัวได้เมียมาแล้วนะทีแรกก็รูปทั้งสองนั่นน่ะก็รู้สึกว่าเปล่งปั่งสวยสดงดงามดีทั้งนั้นแหละทั้งชายทั้งหญิงอ่า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 วันณะของร่างกายอันนี้เอเคยสดใสมาแต่ก่อนก็คล่ําคล่าไปผิวหนังอันนี้ก็ตกกระไปดำดำด่างด่า ง, งไป <c oughs> มูนี้อ่ะ <c oughs> เอาเลยวันนี้เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วพอรูปต่างต่างแล้วน่มันแปรสภาพไปแล้วแทนที่มันจะยินดีอยู่เหมือนเดิมจะไม่แล้วเบื่อแล้วอันนี้ละสายเหตุที่ ผู้คองเรือนผู้คองรักทั้งหลายนะ่ะมันจะทำตนเป็นคนหลายจิตหลายใจประพฤติร่วงสินข้อที่สามกามเมสุวิชาจารน ะ, ะได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเมื่อรูปที่ตนครอบครองมานี่มันค่ําค่าลงไปแล้วเปเ็นรูปอื่นที่ยังเปล่งปังอยู่วันนี้เอาลเกิดอยากได้ขึ้นมาเมื่อได้รูปนั่นมาแล้ว ชมเชยไปหน่อยหนึ่งมา่้ำคร่าไปแล้วไปเห็นรูปอื่นสวยงามกว่านั้นเปล่งปังกว่านั้นเกิดอยากได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแหลพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัิตันหาสมานัธีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีมันเป็นความจริงทีเดียวถ้าบุคคลไม่ ทวนกระแสจิตของตนเลยเนี่ยปล่อยให้มันอยากไปหน้าเดียวนี่ยมันอยากไปไม่มีสิ้นสุดจริงๆอ่ะจิตเนี่ยอมันเป็นอย่างไ น, นเหตุที่มันจะยับยับยับย้งความอยากนั่นได้ก็เพราะมันทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มาสงบนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันจึงมามองเห็นอสภาพร่างกายอันที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่เห็นไม่เห็นไม่มีอะไรสวยงามต่า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 ใจิตใจมันเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงเนี่นั่นแหละมันถึงจะคลายความอยากความปรารถนาให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้ถ้าเป็นผู้ครองเลือนอย่างนี้อถึงแม้จะคลายความอยากคือตัณหาในใจนั้นออกไม่ไม่ได้หมดแต่มันก็ไม่ประพฤต์ล่วงศิลข้อที่สาม มันก็ยินดีพอใจอยู่ในคู่ครองของตนเท่านั้นนะไม่ได้ทำบาปเพราะกามมตัญหาอันนั้นถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะไม่ล่วงศิขาบวชที่ใอันเกี่ยวกับราคะตัญหาอันนั้นถ้าว่าผู้ใดไม่ยับยั้งตัญหาความอยากราคะควากมกำหนัดในใจนี้ได้แนละ้ว แม้เป็นนักบวชก็ร่วงทิกขาวบดวินัยน้อยใหญ่ได้เลยร่วงอาบัติอย่างร้ายแรงได้ทั้เป็นไรฮ ะ, ะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นครหอัสกระร่วงศิลห้าได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปยินดีกับราคาตันหานี่โดยส่วนเดียว เราต้องพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษของมันพร้อมกันไปเลยคุณของมันก็มีถ้าพูดถึงคุณนะก็เพราะความยินดีพอใจในความเป็นมนุษย์นี่แหละก็จึงค้นคว้าห า, เ, าเหตุหาปัจจัยของความเป็นมนุษย์กว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่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 อยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะถึงจะพ้นมาได้พ้นจากนรกจากเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานมาแล้วมาเกิดเป็นคนก็มาเป็นคนมีอายะร่างกายไม่สมประกอบอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาเป็นคนโง่เง่ า, งาไม่รู้ไม่ฉลาดอะไรอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกลัวว่าเศษบาที่มันติดตามมานั่นจะหมดเนะี่ย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 อย่าไปกลัวแต่ว่ากิเลสมันจะแห้งไปจากตนละตนจะไม่มีความสุขสนุกสนานในโลกนี้ก็เขานี่บางคนมันคิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอันใดก็จะสอนให้ละให้ละไม่ให้อยากได้อะไรเลยอย่างนี้แล้วมันจะมีความสุขมาแต่ไหนคนเราเมื่อไม่เมไม่อยากได้อะไรแล้วนั่นเรียกว่าความเห็นอันนั้นมันตื้นเต็มทีเลยความเห็นอันนั้นปราศจากปัญญา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 ไม่คิดที่จะละจะบรรเทาให้มันเบาบางไปอยากจิตใจเลยบางคนนะนาทุเด็จริงๆนะงน ะ, ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะต้องได้เสวยทุกทนทรมานไปตามอำนาจแห่งตันหานั้น่ะถึงจะได้พบกับความสุขในยากเต็มทีแล้วผู้ใดตกเป็นทาสแห่งตันหาแล้วตันหามันก็จะพาให้ไปทําบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้จะไม่หยุดลงได้เลย เขาเรียกว่าเกิดมาชาติใดก็มาสร้างตั้งแต่บาปใส่ตนล่าไปอยู่นั้นนะอา้าวตายไปบาปกรรมมันผานาไปสู่นรกเปรดอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานพอหมดกรรมหมดเว้นนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เข้ามาอีกพกิดมาหลงทำบาปของเก่านั้นแหละอีกอย่างนี้อาตายแล้วพอไปทนทุกข์ทรมานอยู่ของที่สถานที่เก่านั้นแหละ นี่เราคิดดูให้ดีวั ต, ตโตโลโกเป็นว่าโลกอันนี้มันหมุนเป็นวงกลมไปเลยอ่ะเมื่อบุคคลไม่มีปัญญาแล้วหาทางออกจากทุกข์นี้ไม่ได้เลยบุคคลใดไม่แสวงหาวิชาความรู้ในธรรมคำสอนของพระเจ้านี่แสวงหาแต่ความรู้ในทางโลกเท่านั้นไม่พอไม่ความรู้ในทางโลก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 ความยากความลําบากเลยอ่ะเรียกว่าเป็นผู้ดําเนินชีวิตไปสายกลางแบบนี้นะอ่าไม่เอียงไปข้างยินดีไม่เอียงไปข้างยินร้ายเนี่ยเรียกว่าเมื่อมีความรู้ในทางโลกก็หมายความว่าผู้ครองเรือนน่ก็สามารถทํามาหาเรี่ยงขีดโดยทาง ชอบด้วยศีลธรรมและกฎหมายได้อ่าอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความรู้ในทางโลกไปมีความรู้ในทางโลกแล้วไปใช้ความรู้นั้นไปทําชั่วไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละความรู้ในทางโลกนั่นมันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้เลยรู้แบบนั้นนะท่านเรียกว่าทุกวิชาโนปราพาวะ ความรู้ชั่วเป็นทางแห่งความฉิบหายเป็นทางความเสื่อมแห่งชีวิตเป็นอย่างนั้นสุวิชาโนุภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ อ, อย่างนั้นนะี่ยหมายความว่ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์